แล้วก็นอนต่อปลายมีพระพุะทธธรรมประสงค์ปราบถวายความเคารพแล้วเขากลายเป็นยังอาจารย์ใบซานิชาโลพระเทลานุเถระแล้วเพื่อนสร้างกรรมิกทุกๆรูปเจริญพรเจริญธรรมยังบันแม่เชลแล้วว่าในวันาวาสุกวาสิกาทุกตน ตอนนี้เราก็มาทำมัด ร, ร่วมกันเป็นเช้าวันจันท ร, ร์ที่17กุมภาพมนธ์2555 <c oughs> เอ่อเคลื่อนสิบข้ามเดือนเก้าแล้วเราก็มาร่วมกันทำมัดสวดมนต์เหมือนเช่นเคย ปฏิยาน้อมเอาทั้งกิจกรรมทั้งคำสวดอัตถะพยัญชนะน้อมเข้ามาใส่ตัวฝึกตัวสอนตัวฝึกตนสอนตนตนทีมมีปัญหา <c oughs> เป็นความทุกข์เป็นโทษกา <c oughs> เ, เกิดคุณค่าขึ้นมาให้มันเกิดปัญญาขึ้นมา นเนื่ากการเห็นความจริงที่มันกำลังปรากฏอยู่ขณะต่อขณันที่เรื่องกายรื่องใจจนเห็นเป็นรูปเป็นนามการฝึกสติมันก็ต้องมีสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในสติมันมีศีลสมาธิปัญญาต่างๆ รวมรวเป็นหนึ่งเดียวคือความรู้สึกเราจะสัมผัสได้มันไม่ใช่แล้วนะของคิดเห็นนมันสัมผัสแล้วก็รู้ได้ไอ้ น, นี้คือรูปธรรมอันนี้คือนามธรรมอันนี้คืออาการของกายอันนี้คื อ, อาการของจิตเห็นเป็นแล้วนะของวัตถุปรมัตเป็นแลณวของอาการ เราดอกริยาเราสามารถสัมผัสได้เป็นรูปธรรมเป็นนามธรรมเราเรียกว่ารูปนามหรือว่านามรูปการสัมผัสที่กายนี่เป็นรูปนามมันก็เห็นกายทั่วจะบานกายต่หัวจะูดเท้ามนก็จะเห็นแบบรูรอบตาหูสมลิ้นกายใจสมองพวกนี้ ของจิตก็คือนามรูปเป็นประตูอาการเหมือนกัน่ว่าเกิดไปในเราเห็นว่าววบวับคิดไปอดีตบ้างคิดแปอนาคตบ้างมีความคิดมากมายได้เกิดขึ้นมาเราก็จะรู้อยู่สัมผัสรู้อยู่มันก็จะคิดลากไปมากมายในระ บ, บอบความคิดซึ่งเราก็ไม่เคยได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสจนนั่งมันเหมือนกับว่า มีหลักของการปฏิบัติหลักของกรรมฐ า, านเกิดขึ้นมาก็คือการที่เราเดินจงกรมก็ดีหรือนั่งยกมือสั่งยังไงก็ดีหรือว่าวิธีการอื่นๆรูปแบบใดก็ได้ที่มีอยู่ในโลกใบเนี้เพาะโดยความเชื่อเชื่อว่าทุกๆอาชีพในโลกนี้นมีเศด็จถิอยู่ในทุกอาชีพคนไม่มีความสาเร็จก็มีแต่ว่า เจ็ดทีก็มีอยู่ในทุกๆอาชีพก็เหมือนกับที่เรามาปฏิบัติก็เหมือนกั น, ร, าาก น, กนรูปแบบปฏิบัติมันก็มีมากมายแล้วกิ็ทําให้เป็นทําเป็นก็คือเราสามารถที่จะพึ่งผลของการปฏิบัติแล้วอันที่สอของการปฏิบัติพึ่งได้แล้วก็พอใช้นะมีสติจริงๆมีความรู้สึกตัวจริงๆมีสมาธิจริงๆมีบรรดาจริงๆลงไปทุกครั้งน ที่มันเกิดคความิดขึ้นมาประเภทคิดแบบอไม่ได้ตั้งใจอันนี้เป็นภาษาพูดแบบหลวงพออเกลียนว่ารักขโมยคิดอย่างงี้นะตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ทําให้เราเหมือนกับว่าหมดเนื้อหมดตัวเสียพลังงานมากว่ากแต่ว่าเจตนาคิดนี่ไม่เป็นไรเกิดประโยชน์ทีเดียวเกิดคุณเกิดค่าขึ้นมาคิดเป็นบุญคิดเป็นบุญสเป็นความฉลาดเป็นความดีความงามจนเกิดเป็น ระนาดของคุณธรรมจริยธรรมศีลธ ร, รรมต่างๆกฎกติกากฎหมายแล้ว่าก็ตกลงร่วมกันมากมายแต่ว่ามันมีสภาวะที่เหนือวันนั้นก็คือปรมาถสภาวะขณะที่เราบางทีดีก็กลายเป็นทุกข์บางทีชั่วก็กลายเป็นสุขได้เหมือนกันก็เรียกว่าเหนือดีเหนือชัว่วเหนือการเปรียบเทียบ ว่าหน้ากุศลหน้กุศลหนาบุญหน้าบาปตรงนั้นมันเป็นสภาวะที่อิสระมีเสรีขึ้นมาทางด้านจิตวิญญาณจริงๆมันก็เลยไปแล้วนะที่ว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นมาหลังจากที่เรารู้นะเราสมมติที่มีมากมายแล้วเกินในโลกใบนี้เราก็เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องด้วยความกลมเกลือนด้วยความเป็นกลาง สมดุลก็จะเรียกว่าอะไรก็ตามะที่แรกมันอาจจะเกี่ยวข้องโดยการที่มีอคติมีความลำเอียงมีพักมีพวอมีถูกมีผิดมีเหตุมีผลมากมายเลือเกินแต่ว่าเมื่อมันเกิดความเป็นกลางขึ้นมาเราเห็นว่ามันไม่ต้องมีการเหมือนกับว่าเก็บกดกบเกลือนหรือว่าต้องคอยกล่อมตัวเองไปเป็นคนยันใดอย่างหนึ่งอย่างที่วาดฝันเอาไว้เป็นชนิดที่ว่า คิดเอาเองตอบเอาเองอย่างงี้ยไสร้างเรื่องกันมาแล้วก็ตอบเอาเองอันนี้ก็เป็นประเภทที่ว่าเป็นภาษาฝรั่งก็เรียกว่านักจิวิยาออทิสติกเนีเป็นขนที่ชอบคิดชอบตอบเอาเองโดยก็ไม่ได้เห็นหรือว่าได้ยินได้ฟังเป็นความคิดของผู้อื่นหรือว่ามีตัวมีตนเข้าไปในความคิดเห็นของผู้อื่นนี่ยก็เป็นตัวเรา เราคิดแต่นั้นคิดแต่นี้คิดอย่านู้นเอาต้นแบบมาวาดฝันเอาไว้แล้วเราก็จะทําตามความฝันอะไรเป็นจริงขึ้นมาท้ายสึยก็คือมัก็พาไปถูกความทุกหรือก็มองกันแบบว่าต้องการเป็นเจ้าของไอ้นั่นก็ของกูไว้นี่ของกูเยอันนั้นเป็นแลน้วนะของแกรนดิออสในกิจยาก็เรียกอย่างนั้นก็คือ สุมมองเฝ้ามองแล้วว่ามีพฤติกรรมจะเอาความคิดของตัวเองที่เฝ้ามองมาสรุปจนกระทั่งเหมือนกับว่าหลงความเป็นจริงนมันก็มีอยู่จริงๆแต่ว่าหลงความคิดมันกว้างกว่าจนสำนึผลของความคิดของตัวเองซึ่งมไม่ใช่หลงความเป็นจริงเลยประเภปรียบเข้าว่าอย่างนึงแล้วว่าอย่างหนึง่งแต่หลงความเป็นจริงมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละต่อมาก็คือประเภทนะ พฤติกรรมแปรปวนเาเนี่ยก็คือชอบแอ บ, บมองจับปิดเพ่งโต้หรือว่าถ้าเป็นลนักษณะของรามกนิดๆน่ไม่ใช่ลามะกคือเะเภททํมมองทั้งหลายว่าเนี่ยลักษณะของวิตฐานวิ ป, วปลาดไปฮะการกรทำต้องหเห็นสมมุตินะสมมุติเกิดจากที่ตัวคิดนี่ยนะตัวคิดทั้งหมดเน่มันเป็นรังของความทุกข์จะคิดดีก็ถานไหนก็ไปได้แค่พรมนะ แต่ว่าในโรคนี้ก็ต้องมีไว้นะการทาดีคิดดีพูดดีพวกนะี้ซึ่งปฏิบัติมันก็จะต้องได้เห็นนะความคิดพร้อมดีมาใช้ในะอย่างถูกกาลเทวะนะถูกเวลามาเวลาถูกคนนะมันก็เป็นความเหมาะสมก็อยู่กันด้วยปัญญามีความฉลาดแบบนั้นสังคมนิยมเ่อโลกเนิยมเป็นเรื่องของวัตถุนิยมเป็นวัตถุกรรมกรคต่างๆอันนี้เราก็รู้จัก ที่เกี่ยวข้องกับกายกับใจกับรูปธรรมนามธรรมซึ่งการปฏิบัณฑิตจะพาไปสู่จุดนี้ทุกคนไม่เว้นถ้าทำถูกทำถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องงด ไ, ได้เห็นโลกตามความเป็นจริงเราจะเกี่ยวข้องถูกต้องแน่ๆนี่ฮมันก็มีลักษณะของพระพุทธเจ้าหรือว่าพ่อแม่ของครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ชี้นําเอาไว้ เราก็ไม่ได้เชื่อแต่เพียงก็ว่าก็ทดรองที่จะทำเพราะว่ามันเคยมีปัญหามาปัญหาคือเราวาดฝันไม่ว่ามันจะมีความสุขการดารงชีวิตของเราต้นแบบมีปู่ย่าตาทัวรูอว่าคนที่เขาเป็นเรียกว่าปูชนีบุคคลต่างๆเราก็มองแล้วเฝ้ามองแล้วเห็นว่า เราควรจะเดินทางไปสู่จุดนั้นจุดนั้นจุดนั้นก็วาดฝันวาดทางคิดทางไว้แล้ววาดาสนาเราควรจะน้อง้ามาใส่ตนเนี่ยแต่บางทีเราก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงเนื่องจากเราเห็นว่าความสุขเกิดจากการรับเข้ามาที่ภาษาโลกเรียกว่าเห็นแก่ตัวอย่างเงี้ยเป็นความสุขเนี่ยที่เกิดจากการเอวตถุหนึ 1, 2, ่งสองสามบางคนหนึ่งสองสามเข้าาแตท้ายสุด มันก็อิ่มจนเอียนจนอยากอวกบางทีมันเป็นลนักษณะของมันไม่ใช่ความสุขที่ยังย่งยืนมาเกิดการให้ขึ้นมาเล็กๆไมน้อยบ้างมากๆบ้างก็งเรียกว่าบุญเราเรียกว่าการให้วัตถุทานต่างๆหนึ่งสองสามสี่ห้าศัตรูลาสิงต้นไม้ใบหญ้าหรือคนตกทุกข์ได้ยากต่างๆขอความช่วยเหลือแต่ท้ายสุดทําดีก็คนเนี่ยละคนอย่างนี้ก็มีเลี้ยงลูกๆเนี่ยละคน ให้เขยืมก็ไม่คืนทั้งต้นทั้งดอกมันก็เป็นปัญหาขึ้นมาให้ก็ไม่อยากให้รับก็ไม่อยากรับมันก็อยากจะอยู่คนเดียวมาอยู่คนเดียวเพาเห็นว่าบางทีก็ไปหาความสุขอีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่าขนไกวาหารถ ด, ดีๆสักคันเพล e ิลได้ขับไปลำบากขนาดไหนก็รู้สึกมีความสุขได้เจอโลกแปลกๆใหม่ๆะดูพัติขึ้นพัติตกเนีย เข้าป่าเห็นสิ่งแ ป, แปลกประหลาดเรามีความสุข อ, อยู่กับธรรมชาติมีความสุขนบางทีก็เรือใบไล่เสียงเครื่องยนต์ล่องอยู่กลางทะเลลึกอยู่คนเดียวเบื้องว่างรู้สึกเออมันไม่ได้มีอารมณ์อะไรที่มันชวนให้เราทุกข์อยู่คนเดียวอยู่กับตัวเองหรือว่าบางคนก็อาจจะซื้อเครื่องร่อนที่เราเห็นๆกันอยู่บนอากาศเบื้องวางตัด ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆไป ก็ถามแล้วก็มีความสุขเหมือนกับเป็นโลกส่วนตัวส่วนตัวบางทีเราก็เห็นข่าวปีนตัวข่าวิบเรต์เนี่ยล้านรูปีเนี่ยพาตัวเองไปเพื่อที่จะปักตรงชาติไทยอยมันยอดเก่าแล้วว่ามีความสุขได้อยู่ตัวเองได้เห็นตัวเองว่างั้นหลายคนก็เข้าป่าไปก็หมดชีวิตหรือเล่นกีฬาต่างๆก็เสียชีวิตไปอย่างเงี้ยก็มีบางพว้ก็ อาจจะไปฝึกนสมถตากรรมฐานอ่าหนังสือตำรับตำบายเห็นว่าเ อ, อการ น, นั่งดูลมหายใจหรือว่ากัรที่ฝึกสถถมถตาทำให้เกิดลิ์ทางจิตขึ้นมาสามารถที่จะเห็นสิ่งที่คนเดิมเห็นไม่ได้นอันนี้หลายคนก็เพี้ยนกลับมาก็มีทาตัวแปลกๆไปเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะฝึกนะวิปัสสนากรรมฐานะ มันก็ต้องเรียกว่าผลที่ทําถูกต้องแล้วตอเนื้องต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงและเกี่ยวข้องถูกต้องมันจะเป็นชีวิตที่มีความสุขและเป็นความสุขที่เกิดจากการปล่อยการวางจริงๆเพราะว่ามันเป็นการปฏิบัติที่เป็นกา ร, รเผชิญตรงๆไม่ได้หลบไม่ได้เลี่ยอารมณ์อะไรแต่เพียงแค่ว่าเราหยุดดูเราไม่ได้ไปนควงควายหาสัมผัส เดี๋ยวมันก็มาเองหรอกเวลาเราปฏิบัติธรรมเนี่ยจะยกมืออยู่ดีๆเนี่ยจะมีคนมาพูดมาคุยกับเรานอันนี้ก็ดีเนี่ยยใหยถึงว่าก็จะได้เหมือนกับว่าเป็นครูสอนหรือว่าสอบอารมณ์ให้เราบางทีเก็บอารมณ์อย่าเงี้ยเดินอยู่ดีๆเนี่ยอ้าวมีคนถือกระติกน้ามาแล้วนชงน้าร้อนน้าชายเงี้ยเรามีความรู้สึกพอใจขึ้นมาอ๋อนิ่มความพอใจเนี่ยหรือบางทีก็บอกว่าเ้าข้ามาส่ง สายแล้วก็ไม่ยังมยอมมาสักทีเราก็รอแล้วก็คิดแบบพรมบ่นคิดแบบกล่าวโทษว่าเขาไม่ดีก็ทําไม่ถูกเี่ยเราไม่ได้หันกลับมาดูอารวมณ์ที่กาลังเกิดขึ้นมาด้วยว่าความรู้สึกตัวเย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องของว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมาก็ตามก็ทำให้ถึงว่าเรามีหลักหลักของกรรมฐานอยู่เป็นเรื่างของสมถะ หรืว่าวิปัสสนามันก็ถูกทั้งหมดนั่นแหละเพราะว่ามันกำลังสอนเราอยู่ให้เราเห็นความจริงที่กําลงปรากฏจริงๆโดยเพราะวิธีหลวงปู่เทียนเนี่ยมันเป็นวิธีการที่กระทัดรัดแล้กรัดสั้นอันนี้พูดแบบส่วนตัวนะแต่ก็หลายๆวิธีก็เป็นวิธีการที่ดีแต่ว่ายาหลวงปู่เทียนจะให้วางความคิดทั้งหมดลงไปก่อน จะคิดดีก็ไม่เอาจะคิดไม่ดีก็ไม่เอาคิดเป็นบุญกไม่เอาคิดเป็นบาปอันนั้นก็ยิ่งสลัดเลยหรือแค่สัมผัสรู้ความรู้สึกตัวขณะเดินเอันนี้เพื่อให้เห็นสภาวะของการตื่นรู้เรียกว่าสติปัฏฐานะสภาวะผู้ ด, ดูแต่ว่าจะยังดูไม่เป็นเพราะว่าใหม่ๆการฝึกการหัดนมันเป็นลนักษณะของการเข้าไปอยู่ก่อนเคยอยู่กับความคิดเรียกวเป็นสมถะด้วยอยู่กับรูปรสกลิ่นเสียง เปลักะของสมถะเมื่อเป็นลักษณะอยู่ปั๊บเนี่ยมันก็จะต้องไปอยู่เวลาเรากาหนดลงไปเนี่ยสัมผัสกระทบนะการเคลื่อนการไหวมันจะเข้าไปอยู่อย่างเหมือนเดิมแล้วนะแต่แปลงว่าการอยู่กับกายเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการออกมาจากความคิดก่อนบึ้นต้นกพื่อใหเราเกิดการสัมผัสรู้ที่กายแล้วก็สัมผัสรู้การคิดเพื่อรู้ที่อยู่รู้สมมติลาของการคิดเพื่อไม่ให้เป็นการคิดรู้น พรปกติเนี่มันจะมีการคิดรู้เรียกว่าจินตญาณจินตนาการบรงนี้หรือว่าจินตามนยาอันนี้ก็ไม่ผิดเพราะว่าลักษณะของการที่เราเดินจงกรมอยู่รู้สึกตัวอยู่ความคิดตัวแรกที่จะมาคือลักษณะของความคิดที่เคยมีความทุกข์เคยเรืที่เคยถูกกระทํามาเราทํากับเขาก็าทํากับเราทางกายวาจาใจมันจะประกากฏมาบ่อยๆในว่าความทุกขที่ก่อนมาปิบัติก่อนบวชอย่างเงี้ย ปัญหาเก่าวที่แก้ไม่ตกมันจะตามมาปัญหาเรื่องสุภาพปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องบุคคลรั่วสังคมเศรษฐกิจการเมืองต่างๆมันจะผุดเกิดขึ้นมาทีนี้บมันก็ฟุง้งซ่านเนี่ยเราเห็นเราออมมันเป็นความคิดเนี่ยแล้วมันก็เริ่มทจะมีจิตสํานึกมาทบทวนเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ดีเคยทํามามันไม่ดีอย่าทํามานี่แรงความคิดมันเกิดขึ้นมาตอนที่ ฝึกใหม่ๆเนี่ยความคิดเรองครอบครวัวไงป่านนี้เขาไปมีผัวแล้วมั้งอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยมัต้องยิงทิ้ ง, งหรือว่าเคยตีสุนัขตายคามือมาเคยมีเรื่องมีราวต่างๆอย่างเงี้ยมันก็ผุดเกิดขึ้นมามันทรมานนะเคยพูดไม่ดีไว้กับพ่อกับแม่อย่างเงี้ยนะมันก็ผุดเกิดขึ้นมาเฮ้ยขอโทษขอโทษขอโท ษ, โทษมันมันไม่รู้จริงๆไง มันเอาแต่ใจจริงๆมันเป like oh, ็นล nice. ักษณะที assim, ่ว่ามันไม่ฟังไกลเใครว่าเป็นอาการเกิดขึ้นมาโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษพอมีอะไรดีๆขึ้นบางทีก็นึกตึ่ขึ้นมาอาหารดีๆบงทีโยมเอามาถวายปลาอย่างเป็นอาหารดีๆอย่างนั้นคัดสันมาแล้วพอจะตักใส่ปากนะภาพหน้าแม่ก็ลอยมาบางทีโอ้ยหน้าหลวงก็ลอยมาอเงี้ยมันบางทีฟังเทปนะ อาจารย์ไปสารเทศร่วดกัหลวงพ่อเทศนะโอ้นี่ถูกใจจิตมันก็ยิ้มๆๆๆวโอ้อย่างนี้ต้องขอสักแผ่นเอาส่งไปให้หนังสือดีๆนี้โอ้ต้องส่งไปให้มันก็เลยลืมความรู้สึกตัวอย่างเงี้ยนะมันเลยลืมเลยเลยไปมันเป็นการคิดดีเป็นจิตสำนึกจิตตนเริ่มสอนตนแล้ใหม่ๆต้องให้คนอื่นมาสอนอนนีตัวเองเริ่มสอนตัวเองได้จากการเข้ากรรมาฐานอย่างเง้ยนะมันก็เลยเห็นว่อมันมีการตัวเองสอนตัวเองด้วยะ จงเตือนตนของตนในพ้นผิดตนเตือนจิตก็ตนได้ใครจะเหมือนถ้าตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนนะผู้รู้ท่านก็ประดิษฐ์คําพูดเอาไว้มันก็จริงนะมันก็ต้องสอนตัวเองด้วยลักาณะของจิตที่คิดเองเป็นนะนะคนอื่นสอนเราอาจจะไม่เชื่อบางทีเราอาจจะแหมข้าเป็นใครมาจากไหนรู้เรื่องอะไรมันจะต้องมาบอกเราอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างนั้นนทิฏฐิมาหนะ้าหางการรบมังกรอัตตาตัวตนความยิง่งผยองลำพอง ด้วยความอวดดีในตัวทำเป็นอย่างนั้นแต่พอเราเข้ากรรมฐานนะครเจอตัวเองสอนตัวเองปฏิเสธไม่ได้เราทําอะไรมาเรารู้ดีนมันไม่มีใครรู้เราเท่ากับเรารู้เร า, เรารเอเรารู้เองทุกซอกทุกมุมประทับและเป็นล่องรอยในจิตในใจเป็นพฤติกรรมเราก็ทํากรรมฐานให้มันเกิดธรรมชาติขึ้นมาธรรมชาติของจิตคือความเป็นปกติเราจะเห็นน รวมน้ําขันท้านี่ะชัดเจนมากๆอาการต่างๆปรากฏขึ้นมาคิดดีก็ไม่เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอานตัดออกหรือแค่รู้สึซื่ออะไรเกิดขึ้นมาก็เห็นมันอย่างเงี้ยตากระทบรูมก็เห็นละเอียดนิดหนึงหูฟังเสียงก็เห็นสัมผัสได้ละเอียดมายิ่งความคิดการตรงกันแต่งใ น, นเรื่องโลกภายในเป็นโลกของโล ก, กุทละที่เราจะต้องไม่จนใจเพราเรามีหลักหลักก็คือการ อยู่ในที่ครับขันของอารมณ์ที่เป็นรูปน้ํากันหน้าจะมีจุดแทรกออกมาที่แคบๆเป็นร่องรอยแทรกเข้ามาได้ความรู้สึกตัวตรงนี้แคบมากเป็นความรู้สึกที่มันมีอยู่ในใจนที่เป็นภายในของใครของเรากันอันนี้มันไม่สามารถที่จะมาแสดงออกได้แต่ว่าการแสดงออกทางกายวาจาใจเนี่ยบางทก็อ่านกันออกอยู่บ้างอ่านได้ ผู้รู้อยู่มุมสูงมองลงมาส่องลงมานมีเลดา้าแล้วส่องมาก็เห็นหมดเราก็เลยต้องเรียก ว, ว่าสัมรวมวระมัดระวังจริงๆอยู่ชุมชนนี้ก็ถือว่ามีผู้รู้อยู่มีบินชนมีพระโอษฐรอยู่ท่านก็เห็นเราทุกซอกทุกมุมนีู่แล้วเราก็เลยเรียก ว, ว่าเจียมนวดเจียมตัวเรียก ว, ว่ากคมหน้าคมตาฝึกกรรมฐานนะฝึกให้มันเห็นจริงๆตัวเนี้ท้ายสุดไม่ต้องกลัวหรอกมัน แค่อารมณ์บุญ น, นั้นนะ่ะมันก็อยากจะทำอะไรมากมายแล้วกินอารมณ์บุญเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นในี้นั่นก็อยากทำเห็น้นี่ก็อยากทาอยากช่วยเหลืออยากจิบอยากจับอยากสวยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ว่ามันจะได้ผ่านทุกคนที่เป็นประสบการณ์เรื่องของการสร้างความรึกตัวจากการเก็บกฎเป็นการเหมือนกับว่ากล่อมตัวเองสอนตัวเองเทศบอกตัวเอง จะตั้งเห็นความเป็นกลางมันปลากดความเป็นปกติ ป, ปลากดขึ้นมาเราก็ใมีความเกี่ยวข้องอย่างลมเกินมีความถูกต้องเห็นโลกตามความเป็นจริงต่อไปตรงนี้นมันก็จะเห็นเป็นลําดับขั้นตอนละนะแล้วพออารมณ์ปฏิบัติเนี่ยใหม่ๆการรู้วัตถุอาการปามาตรมัติตรงนี้มันจะเห็นจริงๆเจ้จาทั้งมันเหมือนกับว่ามันรู้จักเรื่องของกลุ่มที่เป็นนามรูปต่างๆพวกโทสะพวกโมหะพวกโลภะตรเนี้ย โมหะนี่มันกลางๆมันหลงกับรู้ในตัวเดียวกันก็อีตัวเดียวกันจริงๆมันมันหลงไปมันคิดที่จะทําร้ายนี่มันวิ่งปรืดไปเลยด้านกว่าก็เลยวันไปใช้กายของเรานร้อนเผาทั้งตัวเลยดังว่าต้องออกต้องแสดงออกมาให้ได้พอพลังภายในมันผลักมาแล้วถ้าคิดโลภเนี่ยพวกราค้าทั้งหลายไปด้านซ้ายวิ่งปรืดไปเลยคิดมากเจ้าเหตุเจ้าผลตอนนี้เอียงซ้ายมัน คิดมาสมองบวมส่วนลักษณะของเล่าหน่ะที่เป็นกลางๆทรงๆอยู่ไม่รู้ก็หลงไม่หลงก็รู้เนี่ยละเอียดก็พลิกไปพลิกไปพลิกมาว่าไปไปว่าไปมาจิตจิตจิตจิตอยู่เนี่ะไอตัวนี้แหละมันชื่อว่าจิตแหละดูกายไปดูกายมาเห็นจิตเมันเห็นจิตเนยังไม่พอจิตสอนจิตมันก็มีวันเมื่อกี้ที่บอกว่าเมื่อมีจิตสมานถกันมามันจะสอนตัวเองนะจิตสอนจิตแต่มันมีสติสอนจิต ก็ไม่ต้องมาคิดมากหรอกมันก็บอกว่าปกติว่างๆวางๆมันมีอยู่ตัวที่มันไม่ประมาณมเป็นความไม่ประมาณเป็นหน้าของการนรึกรู้แล้วมันก็มีความนิ่งๆมีสมาธิด้วยก็มีปกติได้ตรงนั้มันจะเป็นความว่องไวเป็นตัวปัญญาที่มันรู้รอบกองสังขารเป็นหน้าของกายสังขารจิตตสังขารต่างๆมันก็เรียกว่าเห็น แบบทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งมันเป็นเรื่องของการเดินทางเป็นวิปัสนายานที่มันเดินทางสู่การพ้นทุกข์แต่บวกแล้วก็ไม่สนใจรู้อยู่ความสุขหรือว่าความเย็นมันก็ฆ่าเราได้รู้ว่าความร้อนอันนี้ก็ฆ่าเราได้จริงๆไหมเดีทันนะใครปรารถนาตัวปิติตัวปสัสสธิตัวสุขตรงเนี้ยก็ถือว่า มันเสียเวลาหรือเพอเพออาจจะตายก็ได้เดี๋ยวตายคาตัวพิติเลยอันนี้นนไม่ได้พูดใฉยเฉยก็เห <ๆ S 2> ็นมาละคาหนังคาเขาเลยก็คือมีการไปทมอยู่ที่เชียงรายาเป็นของโรงพยาบาลเชียงรายโรงพยาบาลพานหมอก็ให้พวกบุคลากรมาธรรมกันแต่ว่าทางเหนืออย่างแย่แล้ว โดยศาสนามันก็มีคนสนใจทอาฟังเทศฟังธรรมแห่มาตรุมเลยทำบนนําทานเรื่องของความสุขสวยรวยดีนี่ชอบนะว่าการที่จะเห็นความจริงเป็นความฉลาดอันนี้พอเริ่มต้นวิบัติตัวใหญ่ก็จะถอยกันไปมีน้อ ย, อยก็เหมือนกับลงบนันพันทีนี้ก็เลยชวนครอบครัวกันมาคนจัดโครงการก็เอาแม่มาด้วยเอาญาติพี่น้องมา แค่นี้แม่ก็ไม่ชอบปฏิบัติแต่ลูกเข็นเข็นให้มาเชียร์ให้มาก็มาพอมาปั๊บทาวัดสวดมนต์ก็ไม่เอานั่งไม่ได้นั่งก็โอวยลูกก็โอวยอย่างเงี้ยแค่นี้ก็เลยเชียร์เชียร์แกทำเธอทําเธอดีนะไปเดี๋ยเนี่ยลองทํำดูมันระบาดรึเดี๋ยวสบายแต่การกินอ้อยจากปลายไปหาโคนแต่าการที่อยู่กระทางโล่มันการกินอ้อยจากโคนไปหาปลายเดี๋ยวมันขมคืนทีหลังะ ก็เชื่อเขาเขาก็อยู่ได้สามวันปรากฏว่าพาเดินไปพาเดินมาเกิดพิติจริงๆพอเกิดพิธีอย่างเงี้ยลูกก็โอ้โหเห็นว่าแม่เนี่ยแม่กลับบ้านแล้วทีแรกก็บนจะกลับบ้านเงี้ยก็มากราบแม่แล้วว่าโอ้แม่จินเจ้าแม่จินเจ้าหักแม่จะสุดเลยเจ้านะมีปรัชนาก็ดีที่สุดเลยนะแม่นะผู้ประโยคนี้แหละปรากธาแม่ไม่เคยเจอพฤติกรรมของลูกมากอ่อนแล้วก็พูดดีๆ พูดคำวารักก็ยิ่งภูมิใจเปลื้มมากเลยนะโลดลงมาแล้วก็ขาดใจตายนะต่อหน้าต่ตาเลยว่าเดียวงานนี้เห็นแบบโอ้โหนี่คนเขาดีใจแล้วชอบตายคาดที่อืมเคยได้ยินได้ฟังมา ไ, มได้เห็นจริงๆปิติีมากนะเพราะว่าลูกนี่ไม่เคยกราดแม่นไม่เคยบอกว่ารักแม่จะไปทํางานแม่ก็ยังไม่ตื่น เย็นกลับมาจากที่ทํางานไม่ก็นอนหลับแล้วตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยที่จะพูดดีๆต่อกันเนี่ยครที่สอบถามด้วยพออยู่ๆมาพูดก็มันก็ช็อกน ะ, นะเพราะว่าก็เลยเอามาเป็นลักษณะของครูนสอนตัวเองเป็นยวตาหอนสอนตัวเองการโดยธรรมก็ไมได้มุ่งเพื่อเกิดปีติเกิดความสุขจนกระทั่งมันปี๊ดขึ้นมาจี๊ดขึ้นมานท้ายสุดก็คือรับไม่ทัน หัวใจเราไม่ทันหรือว่าระบบร่างกายที่เราใช้มานานไครให้มันอดตันเส้นเลือดในสมองบ้างอะไรบ้างมันก็จะมีปฏิยาที่ทําให้เราเหมือนกับว่าผิดปกติไปร่างกายเราก็ต้องสนมแล้วะใจมานานจังปูนนี้แล้วเราก็ต้องเรงว่ารู้เท่ารู้ทันมันก็จะเห็นอาการของเรานะั่นแหละเวลาที่มันสซ่านหรือว่าเลดลมมันเดินปลายมันเดินอาการของกายเป็นยังไงสติมันจะรู้ชัด ทังมันรู้อาการของจิตซึ่งไม่มีตัวตนความคิดไม่มีตัวตนเยมันรู้ได้ก็แสดงว่าของหยาบๆมันก็ไม่เหลือวิสัยเป็นลักษณะของคุณภาพประสิทธิภ า, าพสมถนะที่กําลังของสติของสมิปัญญาที่มันเกิดขึ้นมันก็ทํางานด้วยตัวของเขาเองอันนี้เราไม่ได้ผลิตหรือสร้างขึ้นมาแต่ว่าการที่เรามารู้สึกตัวตัวเนี้ยนจะทําให้เราเห็น ธรรมชาติเดิมแท้ที่มันมีอยู่ในชีวิตของเราจริงๆแตเวลาเราเกิดความมั่นอกมั่นใจแล้วว่าท้ายสุก็คือมันก็สามารถที่ทําประโยชน์ตนได้อย่างคุ้มค่าก็คือการใช้ชีวิตหายใจเข้าหายใจออกที่เหลืออยู่อย่างมีกําไรชีวิตแล้วว่าเป็นประโยชน์ท่านด้วยเพราะว่ามันจะไม่พูดสิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เพราะามันเป็นเรื่องของความจริงที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนอันเนี้ย มันก็จะมีการพูดมากมายเหลือเกินใ น, น, นภาษาที่เป็นภาษาคนแต่ว่าภาษาธรรมก็คือสิ่งเดียวกันความรู้สึกตัวมันก็คือความรู้สึกตัวมันก็จะเป็นต้นเหตุที่มันเกิดจากกายของเราทั่วสารพานกายแล้วก็อาการของจิตที่อาศัยกายอยู่มันเป็นอาการของจิตที่มันใช้กายอยู่ทั่วสารพานกายเหมือนกัน ในกายก็มีเวลานาในกายก็มีจิตเป็นพลังของชีวิตนะแต่ทีนี้ว่าถ้าเราฝึกแบบมสมถะก็ให้สังเกตออข้างข้างนอกเนี่ยจะนิ่งนิ่งแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันจะหมุนปั่นคิดมากเหมือนกับเื้อเครื่องซักผ้ามันนิ่งอยู่แต่ว่ามันปั่นอยู่ข้างในน่นะถ้าหากว่ากำลังของสมาธิไม่พอ แล้วก็ลักษณะของความเป็นปกติยังไม่เด่นอันตรายนะว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านแล้วก็เข้ากรรมฐานไม่ได้เรียกว่าจิตไม่นิ่งกันนะคราวนี้ถ้าหกเป็นวิปัสสนาปั๊บเนี่ยอย่างเช่นการเคลื่อนไหวแบบนายหลวงพ่เทียนเห็นชัดเลยว่าข้างนอกน่ะเคลื่อนไหวร่างกายน่ะเคลื่อนไหวแต่ว่าจิตเนี่ยมันนิ่งเหมือนล้อรถยนต์ไอจุดหมุนก็มันนะนิ่งมากแต่ว่าภายนอกน่ะมันหมุนแล้วเคลื่อนไปแล้วน้ามันมันเป็นลักษณะของยานจริงๆ แล้วมันก็จะเหมือนกับเป็นพลังของชีวิตเพื่อจิตนี่ต้องหยุดนิ่งมันถึงจะมีพลังส่วนกายนี่หยุดนิ่งไม่ได้มันไหลสู่ความป่วยแล้วเจ็บตายมันเลือกนิ่งมาผลกกมาพ่ า, พานนิ่งมันกายนี่ต้องเคลื่อนไหวกายเคลื่อนไหวใจนิ่งก็เลยเข้าสูตรของรลงบงเทียนพอดีอะไรเราเคลื่อนไหวก็นอนแต่ใจมันวางใจมันไม่ได้ไหวเคลื่อนตามไปร่างกายด้วยตรงนี้แหละมันจึงเป็นลักษณะของภาวะผู้ดู ดูกายก็ต้องเห็นกายจริงๆะเวลาจิตมันเคลื่อนไปอันนี้มันก็สัมผัสได้แล้วไม่ใช่สัมผัสรู้ที่เกิดจากการรู้ที่รูปธรรมรูปคันของเราอย่างนั้นนะอันนั้วันนี้ก็เห็นว่าพูดมาสมควรแก่เวลาก็หวังว่าผู้รู้ก็จะเติมเต็มให้ในเวลาต่อไปนี่พันก็ขอให้การที่เรามารวมตัวกันประพฤติไม่ผิดดี จะเป็นเรื่องของควรทำใจธร am, รมำ ร, ร่วมิธธรรมร่วมรัตตาสภาวรธรรมก็ขอให้เป็นไปเพื่อการําที่สูดแ่งกองทุกเข้าถึง <t aps cryptocur> ความเป็นจริงในวันชาตินี้โดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนบันเทิ